งยิง่งดั่งมีงบบนสิ่งอยู่ในหัวใจฉันรัก มายิ้มแป้นหลอกล่อฉันรักคนยิมแป้น รักคนยิบแปรนอยากเป็นแฟนคุณเสียที เป็นหลอกล่อนฉันรักคนหยิบเป็นฝากใจแกลเอาไว้นอนแนบลุ่นเนื้อกายวัดอ่อน